สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่แปดสิบห้าพระเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อที่สิบเอ็ดถึงสิบห้านะครับสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อสิ 15. บเอ็ดถึงสิบห้าโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าแดนผู้ตาย และแดงพี่นาฏก็ประจักษแจ้งอยู่เฉพาะพระเจ้าใจของมนุษย์จะแจ้งเฉพาะพระองค์ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดคนมักเยาะเย้ยไม่ชอบถูกตักเตือนเขาจะไม่ไปหาปราชใจที่ยินดีกระทำให้ใบหน้าร่าเริงแต่โดยความเสียใจดวงจิตก็สลายลงความคิดของบุคคลผู้มีความเข้าใจก็สแสวงความรู้ แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหารทุกทุกวันของคนที่ทุกใจก็ร้ายแต่ใจที่มีใจที่ร่าเริงมีการเลี้ยงต่อเนื่องกันพี่น้องครับพระจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ได้เตือนสอนเราให้เรามีจิตใจที่มีความชื่นชมยินดีหรือเราเรียกว่า joyful heart ใจที่ชื่นชมยินดีนั้นก็เหมือนกับเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตของคนคนนั้นถ้ากเรามีใจที่ขมขื่นใจที่มีความทุกข์อันนั้นจะเป็นการทําลายชีวิตของเราร่างกายของเราสุขภาพของเรานจนความรู้สึกอารมณ์ต่างๆพี่น้องครับ เพราะจะนักธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้เริ่มต้นในข้อที่สิบเอดบอกว่าแดนผู้ตายและแดนพิ น, นาก็ประจักษ์แจ้งอยู่เฉพาะพระเจ้าใจของมนุษย์จะแจ้งเฉพาะพระองค์ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด ห, หมายความว่าพระเจ้านั้นทรงเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ปิดซ่อนไว้แม้กระทั่งใต้โลกครับใต้โลกนั้นโดยความเชื่อของคนฮีบรูก็จะมีอยู่สองที่นะครับที่แรก ตรงนี้นะครับก็คือแดนผู้ตายที่สองก็คือแดนพินาดแดนผู้ตายนั้นเขาเรียกว่าเชอโอนะครับเชโอแปลว่าแดนผู้ตายเป็นแดนที่คนตายนั้นจะไปอยู่ก็แบ่งเป็นสองฝากครับแดนผู้ตายฝ่ายดีกับแดนผู้ตายฝ่ายร้ายนั่นหมายความว่าแดนผู้ตายฝ่ายดีก็คือดินแดนที่อับราฮัมบรรพชนแห่งความเชื่อของอิสราเอล ในพระคัมภีร์เดิมนั้นเขาไปอยู่และรวมถึงผู้เชื่อในพระกัมภีร์ใหม่เช่นเดียวกันนะครับอันนคือแดนผู้ตายเชอโอฝ่ายดีเราจะเรียกตามศัพท์ศาสนาศาสตร์ในพระคัมภีร์ว่าเป็นเมืองบรมชุกเกษมครับแในที่หนึ่งครับก็เรียกว่าเป็นแดนผู้ตายฝ่ายไม่ดีแดนผู้ตายฝ่ายไม่ดีนั้นก็หมายถึง <c oughs> เป็นที่ที่ บรรดาคนที่ไม่ได้รับความรอดบรรดาคนอธรรมคนชั่วร้ายทั้งหลายนั้นไปอยู่ครับเพื่อที่จะรอนะครับรอไปอยังอีกที่หนึ่งก็คือความพินาศนะครับความพินาศแดนแห่งความพินาศก็คือตายครับตายในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าหยุดหายใจนะครับวิญญาณเราหยุดหายใจไม่ได้แต่วิญญาณเรานั้นถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิดอันนั้นคือดินแดนที่ เกิดหลังการพิพากษาคริสเตียนเรานะครับก็จะได้รับรางวัลแต่คนที่ไม่ได้อยู่ในพระเจ้าพระเยซูคริสต์นะครับไม่ได้มีความเชื่อความศรัทธาในพระเยซูคริสต์เขาก็จะไปที่ที่ว่าพินาศครับความหมายของพำว่าพินาศในภาษาฮิบรูเขาเรียกว่าอาบัดโดนนะครับอาบัดโดนพระเจ้านั้นทรงเห็นทรงรู้ นะครับประจักษ์แจ้งทั้งสองที่นั้นก็ประจักษ์แจ้งอยู่เฉพาะพระเจ้าเพราะฉะนั้นไม่เพียงแต่โลกของคนตายนะครับพระเจ้าก็ยังเห็นในโลกของคนเป็นใจของมนุษย์ก็จะแจ้งอยู่เฉพาะพระเจ้ายิ่งกว่านั้นสักเท่าใดหมายความว่าเราไม่สามารถที่จะ หลีกหนีปิดซ่อนสิ่งที่อยู่ในใจของเราได้นะครับสิ่งที่อยู่ในใจของเราคืออะไรครับแรงจูงใจความคิดความปรารถนานะครับของมนุษย์พี่น้องครับพระเจ้าทรงเห็นนะครับคําถามในวันนี้ก็คือว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเห็นในเรานั้นจะทําให้พระเจ้าโปรดปรานเราหรือเปล่าเราดําเนินชีวิตอย่างควรมีปัญญาหรือเปล่า หากเราดำเนินชีวิตอย่างคนมีปัญญาแล้วเราก็เราจะสามารถพบกับพระองค์ได้อย่างไม่ต้องอายครับไม่ต้องอายในวันสุดท้ายเมื่อเราเข้าเฝ้าถวายรายงานสิ่งที่เราทาเพื่อพระองค์ด้วยความซื่อสัตย์นั้นเราจะได้รับคำชมเชยเราจะได้รับเกียรติยศเราจะได้รับศักดิ์ศรีจากพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นขณะที่เราดาเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่าคิดว่าพระเจ้านั้นมองไม่เห็นครับ หลายคนนะครับพอรู้ว่าสถานที่บางแห่งนั้นติดกล้องก็มักจะเปลี่ยนพฤติกรรมทันทีหรือเวลาที่เราอยู่ในสาสนาชนนั้นเราก็ต้องระวังตัวแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวนะครับเราก็มักจะไม่ระมัดระวังตัวดูต่อไปนะครับในข้อที่สิบสองคนมักเยาะเย้ยไม่ชอบถูกตักเตือนเขาจะไม่ไปหาปราร พี่น้องครับหากเราเป็นคนที่ฉลาดนะครับจะต้องรู้จักหลีกเลี่ยงอยู่ห่างจากคนที่มักเยาะเยะ้ยคนที่มักเยาะเย้ยนั้นคือใครครับใ น, นพังพีชัดเจนครับคนที่มักเยาะเย้ยนั้นก็คือคนที่จะไม่ค่อยไม่ค่อยให้ความสําคัญกับการตักเตือนไม่ชอบถูกตักเตือนนะครับคนมักเยาะเย้ยนั้นมักจะหญิงยโสครับเตือนยาก นะครับไม่ชอบการตักเตือนไม่ชอบการเตือนสติไม่ชอบการาว่ากล่าวตักเตือนพี่น้องครับคนเหล่านี้ครับก็รับไม่ได้แม้แต่คำวิพากหรือแม้แต่คำแนะนำนะครับแม้ว่าชีวิตของเขานั้นจะอยู่ใกล้กับนักปราชญ์แต่คนเหล่านี้ก็ไม่เคยได้รับสิ่งดีๆใดๆเลยคนนับว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเสียใจน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่ง เรามาดูต่อนะครับในข้อที่สิบสามใจที่ร่าเริงกระทำให้ใบหน้าร่าเริงใจที่ยินดีกระทำให้ใบหน้ายินดีแต่โดยความเสียใจดวงจิตก็สลายลงพี่น้องครับถ้าหากว่าคนเรานั้นข้างในสวยงามข้างในมีความสุขใบหน้าของเขาก็มีความสุขเมื่อคนเรามีความสุขใบหน้าของเขานั้นจะยิ้ม หัวใจที่ยินดีนะครับหัวใจที่ยินดีคือหัวใจที่มีความรู้ที่อย่างรู้อย่างรู้นี่มีความหมายว่ารู้ล่วงหน้ารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเขาจะร่าเริงครับและมีความสุขภายในและเมื่อเมื่อไรก็ตามที่ใครมีความสุขภายในนะครับก็จะสา ม, มารถแสดงออกทางใบหน้าได้ด้วยสีหน้าได้ขอบคุณพระเจ้านะครับเราเป็นคนไทยเนี่ยมีคาว่าสีหน้า สีหน้าก็บอกอารมณ์ความรู้สึกภายในครับมันเหมือนกับภาษาท่าทางครับนะสีหน้านั้นก็ทำให้เรารู้ว่าคนนั้นมีความสุขหรือมีความทุกข์ถ้าเขามีความทุกข์มีความลำบากมีความเครียดภายในก็จะแสดงออกมาใบหน้าจะดูเศร้าดูซึมนะครับและสภาวะอารมณ์ของเขาก็จะสุกกระทบกระเทือนครับ พระภีบอกว่าเพราะความเสียใจเสียกําลังใจที่เกิดจากความโศกเศร้านั้นจะกัดกินหัวใจภายในของเขากัดกินหัวใจภายในของเขาทําให้ดวงจิตของเขาสลายเป็นองครับสภาวะจิตสลายหรือที่แปลจากภาษาอังกฤษว่าเบิร์นเอาท์นะครับก็คืออะไรครับก็คือภาวะมอดไหม้ของอารมณ์ภาวะมอดไหม้ของจิตใจครับมันสลายไปเสีแล้ว นะครับอุดมการณ์ต่างๆสลายไปเสียแล้วความอดทนที่เคยอดทนมาสลายไปเสียแล้วหมดไปเสียแล้วนะครับความรักที่เคยมีอยู่ก็หมดไปเสียแล้วความปรารถนานะครับมันเกิดเป็นความท้อใจแล้วก็หายไปเสียแล้วพินะครับสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสภาวะจิตสลายไม่อยากทําอย่างนะครับไม่อยากทํานะครับถ้าเป็นพนักงานบริษัทเจา้าหน้าที่ต่างๆนั้นก็ลาออกครับจิตสลายนะครับ หรือไม่เพียงแต่เท่านั้นเราจะพบว่าเราหมดหวังผิดหวังเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแล้วมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้มาโดยตลอดเป็นระยะเวลาหนึ่งก็เกิดภาวะเลิกครับล้มเลิกเบิร์นเอาต์จิตสลายนี่คือพระกัมภีร์ที่บอกว่าโดยความเสียใจนะครับดวงจิตก็สลายลง ความตั้งใจแรงปัตตนาต่างๆนั้นไม่หลงเหลืออยู่เลยอีกสองข้อครับพี่น้องความคิดข้อสิบสี่บอกว่าความคิดของบุคคลผู้มีความเข้าใจก็แสวงความรู้แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหารแต่ทุกๆวันของคนที่ทุกใจก็ร้ายแต่ใจที่ร่าเริงมีการเลี้ยงต่อเนื่องกันพี่น้องครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้น จะได้อยู่ในทางของพระเจ้ามีความชื่นบานในใจครับเพื่อที่ว่าชีวิตของเรานั้นจะสามารถถ่ายทอดความชื่นบานนะครับความชื่นอกชื่นใจนะครับเป็นโรคระบาดเป็นโรคติดต่อได้ครับอยู่ข้างๆใครคนนั้นเขาก็ชื่นใจไปด้วยขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านครับในการที่เราจะมีใจที่ร่าเริงนะครับ ขอพระเจ้าทรงนำให้สิ่งต่างที่เข้ามาในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าจะให้เราด้วยความเชื่อความศรัทธาและด้วยความเชื่อฟังพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้มีจิตใจชื่นบานให้กลายเป็นสิ่งที่ดีพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลดีในทางของพระองค์เสมออเมน